พรุ่งนี้ก็จะมีบวชเนนะแล้วก็บวชศิลจาริณีวันนี้ก็มีเด็กทยอยมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะหลายคนเพิ่งมาวัดป่าสุกโตเป็นครั้งแรก แล้วก็หลายคนนะมาเห็นสภาพวัดป่าแล้วก็อาจจะมีความวิตกกังวลถ้าเป็นพ่อแม่ก็ห่วงว่าลูกจะลำบากไหมนะเพราะว่าอที่นี่ก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะห่างไกลจากบ้านห่างไกลจากโรงเรียนนะ ที่พวกเราไปเรียนกันหรือที่ลูกของเราไปเรียนนะนอกจากจะไม่สะดวกสบายแล้วนะอาจาจะดูน่ากลัวด้วยนะเพราะว่าพื้นที่จำนวนมากก็เป็นป่ากลางค่กลางคืนนะคนที่ไม่คุ้นเคยกับป่าก็อาจจะกลัวว่ า, าจะมี งเงี่ยวเขี้ยวขออะไรไหมหรือว่านึกไปไกลกว่า น, นั้นนะที่จริงการที่ลูกของเรานะมาเจอกับความไม่สะดวกสบายบ้างนะมันเป็นเรื่องดนะีเพราะว่าเขาจะได้รู้จักฝึกฝน นะปรับตัวแล้วก็ทำใจเพราะในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีความไม่สะดวกสบายนะให้ลูกของเราได้เผชิญอีกมากมายแล้วก็จะต้องมีสิ่งต่างๆที่จะมาทดสอบนะความอดทนความเข้มแข็งในจิตใจ รวมทั้งความสามารถนะในการปรับจิตปรับใจของตนคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเรียนรู้เท่าไหร่นะเรื่องการปรับใจคิดแต่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไปเปลี่ยนคนโน้นไปเรียกร้องคนนั้นนะให้ทำถูกใจเรา อากาศร้อนก็หาทางทำให้อากาศมันเย็นนะติดพัดลมบ้างติดแอร์บ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกว่าเราจะอยู่กับความร้อนได้อย่างไรโดยใจไม่ทุกข์อันนี้เป็นเรื่องการทาใจนะซึ่งคนเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นความสำคัญหรือจะไม่ได้รู้จัก การทำใจถ้าเราไม่เจอปัญหาไม่เจ อ, อประสักไม่เจอความยากลำบากไม่เจ อ, อสิ่งที่ทำให้ผิดหวังหรือไม่ถูกใจเนี่ยการที่จะได้มาเรียนรูน้ได้มาเจอสภาพปัญหาต่างๆเนี่ย มันช่วยทำให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตนนะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในโลกนี้ที่ญี่ปุ่นนะมันมีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนหนึ่งนะซึ่งมีชื่อเสียงมากนะเมื่อเมื่อตอน เย็นนี้ก็ได้ดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะสถาปนิกของโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้เขามาพูดสถาปนิกนี้ชื่อทักคารุนะทัศสกันะเทสกขาบอกโรงเรียนอนุบาลที่เขาออกแบบเนี่ยมันมีลักษณะสามประการอันที่หนึ่งคือเป็นวงกลมนะตึกของ หรืออาคารของเรืออนุบาลเนี่ยเป็นวงกลมนะเขาบอกว่าเป็นเพราะเด็กเนี่ยชอบวิ่งวิ่งเป็นวงกลมนะเด็กวิ่งรอบโต๊ะอาหารเด็กวิ่งรอบตัวพ่อแม่ฉันพอเจอตึกนะเจออาคารที่มีลักษณะทรงกลมเนี่ยโดยเฉพาะดาดฟ้านี่เด็กวิ่งได้เต็มที่เลยนะเด็กก็วิ่งใหญ่เลยนะ และมีความสุขมากที่เป็นวงกลมข้อดีของอาคารที่เป็นวงกลมอย่างหนึ่งนะก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ค่อยควบคุมบังคับเด็กเท่าไหร่เด็กอยากจะเรียนก็เรียนเด็กไม่อยากเรียนก็ไม่เป็นไรจะออกไปนอกชั้นก็ไม่เป็นไรจะไปดูชั้นโน้นชั้นนี้ว่าเขาสอนอยังไงก็เอาเลย นะแต่สุดท้ายเนี่ยเด็กก็ต้องวนกลับมาที่เดิมคือกลับมาห้องห้องเดิมเพราะว่าอาคารเป็นวงกลมนะเด็กวิ่งไปไหนสุดท้ายก็ต้องกลับมาวนกลับมาในห้องเดิมนะคือไปไหนไม่รอดนะอันที่2คือโรงเรียนนี้เนี่ยเขาไม่มีฝาผนังนะคือทุกชั้นเนี่ยนะเรียกว่าเชื่อมติดกันหมดนะไม่มีกําแพงกั้น นะอ่ะเด็กก็ไม่อยากเข้าห้องนี้ก็ไปเข้าห้องนั้นนะชอบห้องไหนก็ไปอยู่เลยนะแล้วก็เรียนรู้ตามความสมัครใจอาจจะมีปัญหาว่าเสียงดังนะเสียงดังจากห้องข้างๆหรือห้องรอบๆนะเธอครารู้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้รบกวนเด็กเท่าไหร่ เขบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวเวลาจีบกันเนี่ยยังจีบกันได้เลยในผับในบาร์ที่มีเสียงดังนะเสียงไม่ใช่ปัญหาเด็กจะหลับเด็กอนุบาลจะหลับกลางวันนะก็หลับได้นะเสียงไม่ได้รบกวนและประการที่3ที่น่าสนใจก็คือบอกว่าเขาออกแบบโรงเรียนเนี่ยไม่ให้มันปลอดภัยมากเกินไปนะ ไม่ให้มันปลอดภัยมากเกินไปก็คือว่าอาจจะมีเชือกให้โหนอาจจะมีบันไดเลี้งให้ปีนเด็กอาจจะพัดตกลงมาได้ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเด็กเนี่ยน ะ, ะเจอปัญหาบ้างหกล้มบ้างสะดุดล้มบ้างก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเนี่ยพ่อเตือนบอกพ่อแม่ว่าอย่าไป ปกป้องควบคุมแล้วก็ทนุถนอมเด็กมากเกินไปนะให้เด็กได้สะดุดหกล้มบ้างมีแผลบ้างเจ็บบ้างเพราะว่าเด็กจะได้เรียนรูนะ้วิธีที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนะพราะอะไรเพราะโลกนี้เนี่ยนะหรือชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะเหมือนกับถนนแปดเลน มันครุกคลนะบางทีก็มีหลุมมีบอ่อนะบางทีก็ชันบางทีก็น่ากลัวนะชีวิตเราเป็นอย่างงี้ลองสังเกตชีวิตของเราดูตั้งแต่เด็กนะจนโตหรือจนแก่เนี่ยมันไม่ค่อยจะราบรื่นไปเสียทั้งหมดนะเรียกว่าไม่ได้โรยด้วยกี่อกูหลา มันมีความสมหวังมีความผิดหวังมีคนชมแล้วก็มีคนต่อว่าด่าทอมีความสาเร็จมีความล้มเหลวบางครั้งก็เจ็บก็ป่วยบางครั้งก็พัพก์พรากบางครั้งก็สูญเสียอันนี้คือชีวิตของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้เด็กเนี่ยเขาได้ รู้จักสะดุดหกล้มบ้างมีแผลบ้างอันนี้เนี่ยมันทำให้เขามีภูมิต้านทานนะมีภูมิต้านทานความทุกข์มีภูมิต้า น, า น, า น, านาทา น, านความเจ็บนะซึ่งมันไม่ใช่แค่เจ็บกา ย, ยอย่างเดียวบางทีก็เจ็บทางใจด้วยหรือความผิดหวังเขาบอกว่าเนี่ยไอการที่เด็กเนี่ยจะสะดุดหกล้มบ้าง หรือพลั้งพลาดไปบ้างมันก็ดีนะเพราะเด็กจะได้เรียนรู้การขอความช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือคนอื่นนะที่เดือดร้อนที่เจ็บปวดเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราช่วยเขาเขาช่วยเรานะอันนี้ก็เป็นการเป็นเรียกว่าหลักการหรือปรัชญานะ จะเรียกว่าของโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ก็ได้ซึ่งมันก็น่าคิดนะถ้าหากว่าเรารักลูกของเราเนี่ยเราอยากจะให้ลูกของเราประสบความสาเร็จหรือมีความสุขในวันข้างหน้าเราต้องช่วยทำให้เขาหรือเตรียมความพร้อมให้เขาในกา ร, รเผชิญกับความทุกข์ความยากลาบาก เพราะว่าเราซึ่งเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาหรือช่วยเหลือเขาไปได้ตลอดถ้าเราปกป้องเขาอยู่ตลอดเวลานะยุงไม่ให้ใต่ไรไม่ให้ตอมอมดไม่ให้ตย่ยรยไม่ให้ตอมนีนะแล้วพอเวลาเราไม่อยู่เวลาเราละโลกนี้ไปนะแล้วเขาจะอยู่อย่างไร เขาจำเป็นจะต้องช่วยตัวเองแล้วก็สามารถจะเป็นหลักเพื่อช่วยผู้อื่นต่อไปในยามที่เขามีครอบครัวนะใหต้องเตรียมความพร้อมของเขาตั้งแต่วันนี้นะด้วยการที่เราไม่ปกป้องนะไม่ทนุทนอมเขามากไปให้เขาได้เรียนรู้นะวิธีการทำใจ นะในยามที่เจอบาดแผลเจอความเจ็บปวดให้เขาเรียนรู้วิธีที่จะลุกขึ้นมาด้วยตัวเองนะไม่ใช่รอให้พ่อแม่มาอุ้มให้ลุกนะในยามที่เขาล้มนะในท้องเดียวกันนะก็ไม่ควรจะช่วยทำให้เขาเนี่ยะสะอาดมากเกินไปหรืออนามัยจัดมากเกินไปอันเดียวนี้พ่อแม่เนี่ยนะ เรียกว่าปกป้องเด็กมากจนกันทั่งนะไม่ให้เจอนะความสกรปรกนะไม่ให้เจอเชื้อโรคเลยรู้ไหมว่าอันนี้เป็นวิธีที่จะทำร้ายเด็กเพราะว่าเด็กจะขาดภูมิคุ้มกันนะเด็กจำเป็นนะจะต้องอไปคุกฝุ่นเล่นดินนะถึงแม้ว่ามันจะสกรปรก แต่พมันสกปกนี่แหละนะไอ้เชื้อโรคในดินในทรายนะหรือแม้แต่ในน้ำเนี่ยน้ำคลองเนี่ยนะน้ำสาเนี่ยมันทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันนะมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคและภูมิคุ้มกันนี่แหละจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กนะป่วยง่ายเดี๋ยวนีเด็กป่วยง่ายเหลือเกินนะโดยเพราะโรคภูมิแพ้ โลกมือเท้าปากบ้างโลกแพ้โนนแพ้นี่บ้างหลมทั้งหอบผืดเนี่ยอันนี้ก็มีการสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยถูกเลี้ยงดูแบบอนามัยจัดนะก็เลยไม่มีภูมิคุ้มกันซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายมันสัมผัสเชื้อโรคสัมผัสจุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์จุลชีวันทนี้มีประโยชน์นะเดี๋ยวนี้เราเรา ต่อมุ่งกับจัดเชื้อโรคมากเกินไปโดยเพราะนะการกินยาปฏิชีวนะเรากินกันพร่ำเพรื่อมากจนกระทั่งร่างกายเราเนี่ยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายเราถูกทำลายไปเยอะแล้วก็เลยป่วยโน่นป่วยนี่กันเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องมีการเติมเชื้อโรคหรือเติมจุลินทรีย์เข้าไปนมเปรี้ยวที่เรากินเนี่ยกินเพื่ออะไรนะก็เพื่อเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เขาจะได้ไปจัดการไปสู้กับจุลินทรีย์ที่อันตราย เ, ยเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีโรคในลำไส้เนี่ยรักษาไงก็ไม่หายนะ mm. เขาก็มีวิธีนะ mm. เช่นเติมเติมเชื้อเข้าไปทางทาวรห น, นะนักเีดเฉีก็ไปเลยนะอัดเข้าไปเล ย, นะอเเลยบอกกัว่ามันหายได้นะเราฉะเีการ การที่ให้ลูกของเราเนี่ยนะไม่สะอาดเกินไปไม่อนามาัยจัดเกินไปเนี่ยมันก็เป็นการช่วยลูกให้มีสุขภาพดีให้ลูกได้คลุกฝุ่นบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยในเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีคำขวัญว่าฝุ่นนั้นดีนะหรือว่ามอมแมมเนี่ยดี d i r t is good d i r t แปลว่าฝุ่นหรือมอมแมบบมอมแมมบบ้างก็ดีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปกป้องลูกทนุถนอมลูกมากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีต่อลูกหรือดีต่อเด็กนในระยะยาวแล้วเนี่ยมันกลับเป็นโทษโด้วยซ้ำทำให้อ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้พวกเราเนี่ย่เป็นพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนะก็คงเห็นความสำคัญนะของการม า, าให้เด็กให้ลูกให้หลานของเราเนี่ย มาเรียนรู้สิ่งที่มันไม่สะดวกสบายบ้างนะจึงพาลูกนะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงมาบวชในหรือบวชศิลจารีนีที่นี่นะซึ่งอยู่ห่างไกลจากาภูมิลำเนานะชารที่จะม า, าบวชตามวัดใกล้กลเมืองหรือวัดในเมืองก็มาบวชในวัดป่า ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ลูกได้มาพบธรรมะอยากจะให้ลูกได้มีธรรมะอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของพ่อแม่หลายคนอยากจะให้ลูกเนี่ยได้มาพบธรรมะหรือเข้าถึงธรรมะบ้างก็มีพ่อแม่หลายคนนะมาปรึกษาว่าจะทำยังไงให้ลูกได้เข้าถึงธรรมะ แต่เวลาต้อมาถามว่าธรรมะเนี่ยที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกเข้าถึงเนี่ยมันคืออะไรหลายคนตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยนะมันก็ยากนะที่พ่อแม่เนี่ยจะเป็นสะพานให้ลูกเนี่ยได้มาพบธรรมะในเมื่อตัวพ่อแม่เองหรือบางทีปู่ย่าตายายเองก็ไม่รู้ว่า ธรรมะที่อยากจะให้ลูกได้มีเนี่ยคืออะไรบางทีก็ไป น, นึกภาพการนั่งสมาธิการสวดมวนต์การกราบไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นแค่รูปแบบนะมันไม่ใช่อ่าเป็นธรรมะหรือเป็นเนื้อตัวธรรมะในควายคอตมาเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะที่เด็กควรจะมีนะแล้วก็มีตั้งแต่เล็กจนโตเลยเนี่ย มันมี3มข้อใหญ่ๆนะข้อหนึ่งก็คือให้รู้จักคิดถึงคนอื่นบ้างนะอย่านึกถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวนะเด็กทุกวันนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าเป็นลูกคนเดียวในบ้านนะได้รับการประคอบปงมได้รับการเอาเอ า, เอาใจจนบางทีนึกว่าตัวเองนี่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล เด็กคิดถึงคนอื่นไม่เป็นแม้กระทั่งพ่อแม่นะก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้นึกถึงนะพ่อแม่หรือนึกถึงคนรอบตัวเท่าไหร่ได้แต่เรียกร้องนะได้แต่คาดหวังหรือคาดคั้นจากคนอื่นเวลาจะทําอะไรก็เอาประโยชน์ของตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือเป็นที่ตั้งเด็กที่คิดแบบนี้นะจะเป็นเด็กที่หาความสุขได้ยากนะ เพราะคนเราเนี่ยถ้านึกถึงแต่ตัวเองหรือว่าเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความพอใจในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าหากว่ารู้จักช่วยคนอื่นนะไม่ใช่แค่นึกถึงแต่ตัวองรู้จักช่วยคนอื่นตั้งแต่ช่วยพ่อแม่หรือช่วยงานบ้านไปถึงช่วยเพื่อนๆในโรงเรียนช่วยโรงเรียนช่วยครู เด็กก็จะเป็นคนที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาหรือทางอารมณ์ที่เรียกว่า EQ น่นจะเป็นที่รักของคนนะเพราะว่าจิตใจจะอ่อนน้อมนะมีน้ำใจและจะมีความสุขง่ายนะเพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยได้ตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขนะคนที่เห็นกก่ตัวเนี่ยนะหาความสุขได้ยากแม้จะมีเงินเยอะ นะแม้จะมีความสะดวกสบายในชีวิตแต่ก็ไม่มีความสุขใจนะได้แต่ความสุขกายนะและยิ่งเรียกร้องเอาจากใครต่อใครเริ่มแต่เรียกร้องจากพ่อแม่เนี่ยมันไม่จบสิ้นนะนะได้กล้องก็จะเอาโทรศัพท์มือถือได้โทรศัพท์มือถือก็อยากได้แท็บเลต็ตอยากได้ไอ a d นะได้แล้ว ก็ยังอยากได้อื่นต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นลักษณะของคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคือนึกถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าเขารู้จักนึกถึงผู้อื่นเนี่ย <c oughs> เขาจะ <c oughs> เขาจะได้คิดนะเวลาเขามีความทุกข์เนี่ยแล้วเขาเห็นคนอื่นทุกข์กว่าตัวเองเขาจะรู้สึกว่าโอ้เรานี่โชคดีนะเรานี่ยังสบายกว่าคนอื่นเยอะนะการที่รู้จักนะช่วยคนอื่นหรือไปเจอคนที่มีความทุกข์ รู้จักใส่ใจรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นที่มีความทุกเนี่ยทำให้เขาได้เห็นว่าเออเรานี่โชคดีนะไอ้ที่ว่าเราทุกเนี่ยเราลาบากที่จริงคนอื่นลาบากกว่าเราเยอะแค่คิดได้แบบนี้เนี่ยใจมันก็นะคลายจากความทุกไปได้เยอะแล้วิ่งไปช่วยคนอื่นด้วยเนี่ยยิ่งช่วยก็ยิ่งมีความสุขนะผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข เดี๋ยวนี้เนี่ยที่เราพูดว่ามักจะเหบอนก็ว่าเด็กไม่มีวินัยเนี่ยเช่นชอบทิ้งขยะนะตามใจชอบนะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอันนี้ลาเงาอกมาคือการที่นึกถึงแต่ตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นคือถ้าเอาความสบายของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่เนี่ยนะกินอะไรเสร็จก็โยนเลยสบายเนี่ยไม่ต้องเดินไปที่ถังขยะนะแต่เธอนึกถึงคนอื่นนะ ว, ว่า ถ้าเราทำแบบนี้นี่คนถึงต้องมาเก็บขยะให้เราหรือว่าไม่ทำให้สิ่งแวดลอ้อมนะมันไม่สวยมันไม่งดงามมันสกรปรกเนี่ยเขาจะเห็นความสำคัญนะของการเดินนะไปทิ้งขยะอันนี้เราจะเห็นได้นะจากนิสัยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีนิสัยตรงนี้มากเวลาเขากินอะไรเนี่ย แล้วเขาจะแยกขยะเลยแล้วก็ไปทิ้งขยะตามตามถังที่แยกมันเสียเวลาเขานะแต่เพราะเขานึกถึงคนอื่นไงเขาไม่ได้ถึงความสะดวกสบายขอยงตัวเองอนเดียวนี้เราเอาความสะดวกสบายเป็นพระเจ้าแล้วต้องเป็นความสะดวกสบายของเราเราก็เลยไม่มีวินัยเวลาจะเข้าคิวนะก็ชอบรัดคิว พ่อไม่ได้นึกถึงหัวใจหรือความรู้สึกของคนที่เขาเข้าคิวก่อนหน้าเร า, น า, ราเนี่ยมารยาทเนี่ยหรือว่าวินัยเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากการที่รู้จักคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองประการที่2คือนะให้รู้จักพึ่งความเพียรของตัวเองอย่าหวางังรอบลอยคอยโชคและนิยมทางรัฐ เด๋ยนนี้เนี่ยเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยขาดตรงนี้มากในเมืองไทยนะจะทำอะไรเนี่ยก็หวังทางรัดหวังลาบลอยหวังลาบลอยอยังไงก็ อ, อยากรวยก็ไปซื้อลัตเตอรี่มั่งหรืออยากรวยก็ไปบนบานสายกล่านะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์คอยมั่งมีสีสุขอันนี้เรียกาหวังลาบลอยนะคอยโชค คนะอยโชคนี้ก็ชัดนะเวลาเราอวยพรกันเราก็บอกว่าให้โชคดีนะลูกจะไปสอบเขบอกว่าขอให้โชคดีนะอันนี้ต่างจากญี่ปุ่นเลยนะนะเขาจะเขาจะไม่อวยพรมาโชคดีเขาเขาอวยพรว่ากำบัตเตนะขอให้มีความเพียรนะขอให้สู้ๆนะอย่างนี้เรียกว่าทางประเทศเลยเนี่ยหวังราปลอยคอยโชค และนิยมทางลัดนะเด็กเวลาให้การบ้านไปนะเด็กก็ไม่ทําเองอะ่ะเด็กก็จะหาทางไปลอกจากเพื่อนหรือไม่ก็ไปก๊อบจาก Google Wikipedia เดี๋ยวนี้ถึงขนาดขโมยสมุดการบ้านของเพื่อนไปส่งครูนะแล้วก็ลบชื่อนะของเพื่อนทิ้งใส่ชื่อตัวเองขนาดนี้เลยนะเวลาสอบก็ไปคอยโกงนะคอยทุจริต ทุจริตกันหมดเลยนะทั้งในวงการคาราวะแล้วก็วงการพระเนี่ยนะเวลาเรียนจบนีทำมาหากินก็แทนที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเก็บพร้อมรอมริบก็คิดแต่ว่าจะมีทางรัดให้รวยได้อย่างไรโดยไม่เหนื่อยนะเช่นโกงคอร์รัปชันหรือไม่ก็เล่นการพนันนะนี่เป็นกันทั้งประเทศเลย หวังลาบรอยคอยโชคและนิยมทางรัดนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ควรมีคือพึ่งความเพียรของตัวเองอันนี้เป็นหัวใจนะของพุทธศาสนาเลยนะผู้ใจตัดเลยนะว่ามนุษย์ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะนี่คือธรรมะข้อที่สองนะที่ลูกของเราควรจะมีนะเวลาอยากได้อะไรก็ ก็ภาคเพียร น, นะหามันด้วยตัวเอง mm hmm. นะเช่นอยากได้โทรศัพท์มือถือก็รู้จักเก็บพร้อมรอมริบนะหรือว่าไปรับจ้างทำงานนะอยากเจริญให้ได้ดีก็ต้องขยันนะนะไม่ต้องคอยไปาหาทางทุจริตนะเดี๋ยวนี้ทำวิทยานิพนธ์น ะ, ะเรียกว่า หลาเรืยกวครึ่งอาจจะครึ่งแล้วก็ได้นะไม่ทําเองนะไปจ้างเขาอันนี้เป็นทางรักนะชอบทางรักคือชอบอะไรที่มันไม่เหนื่อยประสบความสำเร็จโดยไม่เหนื่อยนะพระก็เป็นนะเดีย๋ยวนี้มีพระบางรูปนี่รับจ้างทำบทเรยานิพนธ์ให้กับพระนะที่มาเรียนด้วยกันนะเป็นปริญญาโทเนี่ยเดีย๋ยวนี้พระนิยมเรียนปริญญาโทมาก บางท่านก็เป็นเจ้าอาวาสบางท่านก็เป็นพักครูอายุก็มากแล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วไม่มีปัญญาหรือไม่มีเวลาทำวิทยา น, นิพนธ์ส่งอาจารย์ก็ก็ไปหาไปให้คนเนี่ยมาช่วยทำให้อันนี้ก็เป็นค่านิยมนะนิยมทางรัดคือทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่เหนื่อยแล้วถ้าประเทศเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่มันจะเป็นอย่างไร และถ้าลูกของเราเนี่ยมีนิสัยแบบนี้เนี่ยจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรวังคนก็จะบอกว่าก็เพราะว่าโกงเพราะคอร์รัปชันเลยถึงเจริญ<ม>นะคิดแบบนี้กันก็มีนะมันจึงเป็นอย่างนี้กันมากนะแต่มันก็สุขชั่วคราวนะตามไม่ได้ทุกที่ยาวนานถ้าทำอย่างนั้นข้อที่สมนะก็คือรู้จักหาความสุขหรือเข้าถึงความสุขโดยไม่อิงวัตถุนะ นะสังเกตมาในนิลูกของเรานะหรือว่าเด็กๆ เ, เนี่ยนะเขาค่อนข้างจะวัตถุนิยมมากเงินทองเป็นเรื่องใหญ่นะอยากได้นะรางวัลที่เป็นวัตถุเนะี่ยตลอดเวลาจนกระทั่งพ่อแม่นี่จะให้ลูกขยันเรียนก็ต้องจ้างนะหรือให้รางวัลเป็นตัวล่อนะเด็กเดีวนี้เนี่ยวัตถุนิยมมากดีจริงก็เรียนแบบจากพ่อแม่ หรือว่าผู้ใหญ่ไม่ใช่น้อยเพราะเขาคิดว่านั่นคือที่มาแห่งความสุขอย่างเดียวเขารู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากวัตถุเกิดจากการเสพเกิดจากการมีถ้าคนเรานะถ้ารู้จักแต่ความสุขชนิดนี้ชนิดเดียวนะแย่เลยนะเพราะว่ามันจะมีความโลภและพอมีความโลภแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเนยะ มีเงินล้านก็ไม่พออยากได้10ล้านมีเงิน10ล้านก็ไม่พออยากได้ร้อยล้านแล้วความทุกข์ของผู้คนในวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขารู้จักแต่ความสุขชนิดเดียวคือความสุขจากการเสพวัตถุการกินการฟังกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะมีโทรศัพท์มีรถมีบ้านมีเสื้อผ้าสวยๆที่จริงมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะคือความสุขที่ไม่อิงวัตถุ เป็นความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นความสุขจากการทําความดีนะความสุขจากการเสียสระความสุขจากการาขยันเรียนฝ่ายรู้น่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยนะนึกไม่ออกว่าไ อ, ไอความรู้เนี่ยความฝ่ายรู้เนี่ยมันจะทําให้มีความสุขได้อย่างไรนะ การเรียนการทำงานจะทำให้มีความสุขได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้จักแล้วเขานึ่องไม่ถึงนะนื่องไม่ออกว่ามันจะมีความสุขได้อย่างไรแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นที่หมายความสุขที่ประเสริฐประกว่าความสุขจากวัตถุเยอะถ้าจากพรย์พุทธาจึงเคยพูดเลยนะว่าเนี่ยสุขแท้มีอยู่แต่ในการงานอาการงานนี่ไม่ได้หมายถึงการทำมากินอย่างเดียวนะงานปฏิบัติำรำหรือว่างานนะที่ช่วยเหลือผู้อื่นก็ เป็นที่มาของความสุขแท้ได้อถ้าลูกหลานของเราเนี่ยรู้จักแต่รู้จักแต่ความสุขได้อิงวัตถุนะเขาก็จะเป็นพวกวัตถุนิยมมากแล้วเขาจะหาความสุขได้ยากเขาจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็หน้าระอาไม่เป็นที่รักของเพื่อนๆและสุดท้ายก็ จ, จะมีปัญหากับพ่อแม่นะพอเขาจะเรียกร้องพ่อแม่ตลอดเวลาแล้วนะพ่อแม่ทาไม่ให้เขาเขาก็จะโกรธ แต่ถ้าเขารู้จักหาความสุขหรือเข้าถึงความสุขโดยไม่เอียงวัตถุเขาจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายนะเขาจะกลายเป็นคนที่อ่อนโยนเพราะเขาพบว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยทำให้มีความสุขใจนะเขาจะเป็นคนที่ใฝ่รู้เพราะเาพบว่านะการค้นคว้านะในสิ่งที่รักมันทำให้มีความสุข ก็จะเป็นคขยันเป็นคนขยันโดยที่ไม่ต้องไปเอารางวัลมาล่อนะเพราะเขาพบว่าทํางานก็มีความสุขได้นะีแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายก็จะกลายก็จะเป็นคนที่อยู่แบบง่ายๆนะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากแต่เขามีความสุขไม่อิจฉาใครเพราะเขามีความสุขนะ จากการเรียนจากการค้นคว้าจากการทำงานแล้วเขาจะกลายเป็นลูกที่น่ารักเขาจะใส่ใจดูแลพ่อแม่นะพร า, ะาพบว่าการดูแลนะให้เวลากับพ่อแม่ก็ทําให้มีความสุขนะสามารถจะพบความสุขจากการสังสรรในหมู่ญาติพี่น้องนะโดยที่ไม่ต้องเสดนะไม่ต้องไปกินอาหารหรูหรูนะกินอ่า ของราคาแพงๆนะบางทีทำกินหรือทำให้เพื่อนๆกินก็มีความสุขได้เหมือนกันหรือทำให้พ่อแม่ก็มีความสุขได้แล้วก็ทราบซึ้งตึงใจนะกาความสุขชั่วคราวจากการเสพด้วยอันนี้แหละนะคือธรรมะนะที่รูปเราเนี่ยควรจะรู้จักหรือตัวเราเองเนี่ยน่าจะนะ เข้าถึงด้วยเหมือนกันแล้วค่ายเนเนี่ยนะหรือว่าค่ายศิรจารีนีเนี่ยนะก็ก็เป็นความพยายามนะที่จะช่วยทำให้ลูกของเราหลานของเราเนี่ยไดนะ้เข้าถึงธรรมะในลนนักษณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่รู้จักวิธีสวดมนต์นะหรือว่ารู้จักวิธีนั่งสมาธิหรือว่ารู้จักวิธีกรา นะอย่างสวยงามอย่างที่บอกแล้วนั่นเะปนเปลือกนอกนะหรือมันแค่รูปแบบนะสิ่งสำคัญก็คือนะคุณธรรมเนี่ยที่สำคัญซึ่งที่สำคัญใหญ่ๆเนะี่ยมีสาประการอย่างที่ว่านะก็คือ 1. น, นรู้จักคิดถึงคนอื่นนะไม่ได้คิดถึงแต่ตัวอย่างเดียว 2. นะไม่หวังลาบลอยคอยโชคและนิยมทางรักนะแต่รู้จักพึ่งความเพียรของตัว แล้วก็สเนี่ยสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ไม่อิงวัตถุได้เอาคำที่ก็เพียเท่านี้นะครับครับ